ท่านสาธุท่านนั้นหลายวันนี้ แล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติของเจ้ายี่ในฐานะที่เป็นลูกบุญธรรมแล้วต่อมาหรือไม่เห็นสีของพระเจ้าสัมพยาก็มีความรักเหมือนลูกเช่นเดียวกัน โตไปประมาณ 16 ปีก็ตายเป็นไข้ตายปรากฏว่าตามที่ท่านไล่ฟังขณะที่พูดนั้น <c oughs> เขาเป็นว่าทั้งเลวบอกว่าฉันก็มีความรักมากเมื่อเมื่อเด็กคนนี้ตายไอ้ความรักความอะไรก็มีมากคือ 1 หลังจากที่ตายไปแล้วประมาณ 10 วัน 10 เศษก็นอนฝันตอนเช้ามืดว่า แม่ก็อกกอดในฐานะเป็นลูกนั้นในสุดก็ แล้วต่อมาก็เป็นลูกเป็นลูกเก่าๆท่านเล่าให้ฟังหมด จะเชื่อได้ เห็นว่าเจ้าสัมปยานี่ท่านดีมากว่าราชสมบัติต่าง ท่านที่เป็นเจ้ายี่กับเจ้าสัมปยาก็สวยท่านทั้ง 2 คนทั้ง มาตอนก่อนนี้อัศวจินนรสจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมา นั่งกรรมเรืออรเมย์ต้องมาเรือเมย์สะดวกกว่ามาเรือเมย์ก็ ก็มีความจําเป็นต้องไปความ เขาวังให้แปลกกว่าเค้าได้มนต์มาหลายกันขณะ 2 ข้างเป็นหมอนวด อันน้อยก็อย่างดีก็แล้วกันนะดีแบบแบบบ้านธรรมดาธรรมดาประชาบ้านนะมีที่มีเตียงให้มีผ้าห่มให้มีมุ้งให้มีหมอให้เรียบ หาหอนไม่ให้ตอนเช้าอาตมาฉันข้าวต้มข้าวต้มในฉันมันนานตอน เสียงลิเกละครเสียงกลองดังรอบวัดอยู่ 3 ด้านแล้ว <c oughs> พอเดี๋ยวหน้ายาวพอเดี๋ยวหน้าสั้นเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวหน้าใหญ่เป็นหน้าเล็กพอเดี๋ยวตัวสูงขึ้นพอเดี๋ยวตัวต่ําลงก็นึกในใจว่าเวลานี้เราป่วย ก็ว่าใจโกรธยังไม่ เธอโปรดมาที่นี่ประเดี๋ยวเถอะเวลานี้อันตรายจะ ที่คุณเนี่ยสดหน้ามันกินเหล้า ฉันอยู่ที่นี่ใครทําอันตรายไม่ได้แน่จึง เป็นเวลาธรรมดาของการเจริญกรรมฐานที 2 ตื่นขึ้นท่าน คนนึกในใจแบบนี้ท่าน นั้นถ้าว่าคุณจะทําสมาธิก็ทําตามสบายใจไม่ ที่อยาก 2 ชั่วโมงเสร็จแล้วลืมตาขึ้นมา ที่มากระดาษให้ปรากฏเขาตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาทําลายและมาล่อเล่นท่านก็เลยบอกว่าเวลา แผ่นประเทศก็ชาวสุโขทัยมาครองอยู่เขามีกษัตริย์สืบเนื่องกันประมาณ 7 องค์กษัตริย์ 7 องค์นี้ท่านไม่เคยนึกถึงเขาก็เลยบอกว่าไม่ถ้าคุณอยากจะ แต่ว่าเขาก็ถ้าต้องการความช่วย คุณเคยเกิดที่สุโขทัยเคยอยู่ในสมัยนั้นแล้ว ก็เลยท่านบอกกับระเบียบว่าถ้าอย่างนั้นเค้าเชิญท่านทั้ง 7 มาได้มั้ยท่านบอกว่าได้เค้า ก็ขออภัยท่านบอกว่าในฐานะที่ไม่รู้มาก่อนจึงไม่ได้ขอความไม่ได้ขอ เขาห้ามวัดต่างๆมีตลาดหน้าวัดด้านหน้าของวัดด้านหน้าโบสถ์หน้า มันเป็นตลาด 80 เมตรเอ้าไม่ใช่ยาว 500 เมตรนะมั้งมันโค้งยาวมากหลาย 10 ห้อง มันบ่ว่ามาเป็นวิธีง่ายๆเฮาอย่ามีสิทางด้าน 10 ล้อนี่ 10 ล้อ 6 ล้อทางลำคาทํา ถ้าบอกว่าตอนเช้าให้แนะคน 10 คนให้บอกว่าให้ย้ายหน้าวัดเอาหน้าวัดที่ตลาดไปเป็นหลังวัดเสียย้ายป้ายจากหน้าวัดมา ถ้ามีก็ภัยอยู่ 3 กอให้เครดก็ภัยทอนโคนก็ภัยกลับจะได้กําแพง ก็เป็นเมื่อท่านแนะนําแบบนั้นคุยไปคุยมา เดินทางส่วนเนาตอนเมื่อถึงเวลาประมาณ 3:00 น. ตอนนั้นหรือไม่ใช่ทายกก็โยมที่วัดนี้กําลังมีเรื่องใช่มั้ยเขาเรื่องขุดพระหรือบอกไม่ใช่เรื่องที่เขาจะให้หรือตลาดหน้าวัดน่ะใช่มีมั้ยญาติโยมทั้งหนังไหนลองโอ้ท่าน เขาบอกก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันยังไม่มีใครเถาะแต่มีความรู้สึกว่าทางสักคณะ แต่หลังแต่ว่าส่วนที่เป็นถนนก็มีก็ไผแค่ บวชจะไม่มีความสุขก็ว่าถามว่าจะทํายังไงก็ ท่านก็เลยก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันไปว่ามีเทวดาที่นี่เป็นเจ้าเมืองที่นี่จิตองค์ก็มีท่านเจ้ายี่ แล้วก็เอารถเครดหรือว่าใช้คนก็ได้ตัดกอไผ่ออกแล้วก็ทํากําแพงจากหน้า ในที่สุดท่านเจ้าว่าก็ยิ้มออกมาได้บอกแม้คงนึกไม่ออกมานานผมก็พูดกับชาวตลาดชาวถ้าทางศาสนะสูงจะศึกผมก็ยอม ที่ตั้งอยู่ 600 บาทอาตมา 1 ห้องญาติโยม 10 คน 12 ห้องพอตอนยืน 30 ห้อง ตรงกันกับที่ผีบอกเป็นว่าท่าน เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบรรดาท่านผู้ปฏิบัติสัต เวลาค่ำลงมาหลังจากคุณกับคนแล้วท่านทั้ง 7 พร้อมจะบรรยายท่านเจ้ายี่ท่านเจ้ายี่ทหารของท่านก็มาเหมือนกันทุกคืนท่านก็มานั่งคุยบ้าง มาจากเชียงแสนมาพักที่ศรีสัชนาลัย ความเป็นมาต่างของประวัติศาสตร์ภาษาจากผีก็ประวัติศาสตร์จากหนังสืออาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนทุกที่อำเภอ กลุ่มคนทั้งหลายเหล่านี้ก็ยกตนขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมือง หลวงบอกว่าเคยคลั่งเมืองตัวกรุงบุรีมาก่อนกับจังหวัดอุทองเป็นอันว่าพุงกษัตริย์ปรุงเพียงแสนมาเกาะที่สุโขทัยด้วยมาเกาะที่สันมุรีด้วยเกาะที่เชนนาช จจ. ที่สุโขทัยด้วยถ้าเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาอาตมา วันนี้ก็เต็มทีเสียงก็แย่แรงก็มือก็จึงจะมีความจําเป็น ก็ยังต้องมาสัมภาษณ์กับผีในเมืองแต่ก็ไปเมืองเก่าเทว่าเป็นที่น่าปลื้มใจว่าผีเล่าความเป็นมาได้ดีมากเล่าประวัติศาสตร์ตั้ง ตะก็เรื่อยมาทั้งการอพยพกันมาถึงสันบุรีสันดานนี่มาตั้งที่หลังพวกที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาก่อนตะก็อยู่ทางอู่ทอง พอพอถึงสมัยพระเจ้าอู่ บางท่านอาจจะมีความก็จะว่าคุณโง่โง่นี่มีความโลภ ที่วังจะยึดอํานาจมีอยู่แต่จะยึดอํานาจได้ถ้าเขายึดอํานาจได้ จะต้องเสียเลือดเนื้อบาดบาตรประชาชนท่านไม่รู้อีนี่มากไม่ เราเคยยังเป็นเจ้าเมืองอยู่ครองความเป็นมาของชีวิตลพบุรีก็จริง ก็ตรงกับคําพยากรณ์ ถ้าคืนพูดไปไม่มี